ชีวิตของพวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องอยู่ด้วยการเคาลบกฎหมายต่างๆกฎหมายที่ควบคุมชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองกฎหมายหลักกฎหมายใหญ่คือกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของจิตใจเป็นกฎหมายที่จะ คลองให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆกฎหมายบ้านเมืองพวกเราคงจะรู้จักกันเช่นกฎหมายทางการจราจรมีการบังคับถ้าเรามีรถยนต์หรืมีการขับขี่รถยนต์เราก็ต้องเคารพกฎจราจรถ้าไม่เช่นนั้น เราก็อาจจะถูกจับถูกแับหรือถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางได้ถ้าเราขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนี่คือกฎหมายของบ้านเมืองที่พวกเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามต้อง อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ถ้าทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกลงโทษถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายนี่คือกฎหมายของบ้านเมืองที่พวกเราทุกคนรู้กันเข้าใจกันส่วนกฎหมายอกีกการหนึ่งนี้ที่ คุ้มครองหรือปกครองจิตใจของพวกเรานี่พวกเราอาจจะไม่รู้จักกันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาทางพระพุทธศาสนากฎหมายของจิตใจนี้คือกฎแห่งกรรมนี่กฎแห่งกรรมนี้ก็จะเป็นผู้มาคอยควบคุมปกครองจิตใจของพวกเรา ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเรารู้จักกฎแห่งกรรมและเข้าลบกฎแห่งกรรมไม่ละเมิดกฎแห่งกรรมจิตใจของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ นี่แหละคือกฎหมายที่เราไม่ค่อยรู้จักกันคือกฎหมายของจิตใจกฎแห่งกรรมเพราะว่าหนึ่งเราไม่ค่อยรู้จักจิตใจของเราเองเราไม่รู้ว่าจิตใจของเรานี้เป็นอย่างไรเรารู้แต่ร่างกายเรารู้ว่าร่างกายถ้าทำอะไรผิดกฎหมาย ร่างกายก็ต้องถูกจับไปลงโทษแต่เวลาจิตใจของพวกเราทำผิดกฎแห่งกรรมเราไม่รู้ว่าถูกลงโทษหรื อ, อยังหรือโทษของกฎแห่งการละเมิดกฎแห่งกรรมนี่เป็นอย่างไรใครเป็นผู้รับกฎแห่งรับโทษของกฎแห่งกรรมเราไม่รู้กันเพราะเราไม่รู้จักจิตใจของพวกเรา ใจิตใจของพวกเราก็คือผู้รู้ผู้มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยพวกนี้คือใ จ, ใจิตใจเวลาที่เรามีความรู้สึกทุกข์เนี่ยแสดงว่าใจิตใจเรากำลังไปละเมิดกฎแห่งกรรมแล้วเวลาที่จิตใจของพวกเรามีความรู้สึกสบายไม่วุ่นวายเวลานั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปละเมิดกฎแห่งกรรม คือทําตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ก็จะจะคอยเฝ้าดู ก, การกระทําของจิตใจซึ่งจิตใจของเรานี้มักจะทําอะไรผ่านการกระทําทางร่างกายกระทางวาจาใจของเราเป็นผู้กระทําแต่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้นะเช่นใจเราอยากจะพูดเนะเราต้องอาศัยวาจาถึงจะพูดได้ต้องมีปากถ้าเราเป็นคนใบ้เเราก็จะไม่สามารถกระทำะกรรมทางวาจาได้เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการกระทำทางร่างกายแทน คนใบ้เขาไม่สามารถที่จะพูดได้เขาก็ต้องใช้มือใช้ไม้มีภาษามือเป็นการสื่อบอกว่ากำลังจะบอกอะไรนอกจากการใช้วาจาเป็นเครื่องมือแล้วก็ยังใช้การกระทำทางร่างกายเป็นเครื่องมือเราอยากจะทำอะไร เราก็สั่งให้ร่างกายทำนะผู้ที่คือที่เราที่พูดว่าเรานี้ก็กคือใจนั่นเองใจคือผู้รู้ผู้คิดอย่างวันนี้ใจคิดก่อนลวกหน้าว่าวันนี้จะมาวัดกันนี่ก็เรียกว่าเป็นการกระทำทางใจการกระทำทางใจก็คือความคิดพอเราคิดแล้วเราก็ต้องใช้ร่างกาย เป็นผู้พาเรามาเราก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาที่วัดถ้ามาคนเดียวถ้าเราอยากจะชวนเพื่อนฝูงมาเราก็บอกทางวาจาบอกว่าวันนี้จะไปวัดจะมาจะไปด้วยกันไหมใครไปก็เตรียมตัวนะเดี๋ยวถึงเวลาก็จะออกเดินทางมาวัดกัน นี่เรียกว่าการกระทาทางวาจาแล้วพอเราถึงเวลาเราก็เดินทางมาที่วัดพาร่างกายมาที่วัดการมาวัดนี้ก็มักจะมาทำกรรมดีกันทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเช่นเวลามาวัดนี้มักจะมีการกระทา ที่จะทำให้เกิดความสุขใจเช่นการทำบุญทำทานเช่นการรักษาศีลเช่นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมการกระทาเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะสร้างความสุขให้แก่จิตใจไม่ได้สร้างความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญแต่อย่างใด ขอให้เราเข้าใจมันคนละเรื่องกันเรื่องลาบยศสรรเสริญนี้ต้องอยู่ที่การกระทําอย่างอื่นไม่ใช่อยู่ที่การทําบุญทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การปฏิบัติธรรมการกระทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับใจนะ เพื่อสร้างความเจริญให้กับใจไม่ได้สร้างความสุขความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขถ้าอยากได้ความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญสุขก็ต้องไปทำงานกันไปทำงานเพื่อที่จะได้มีรายได้ ทำงานแล้วก็จะได้รับตําแหน่งทำงานดีเขาก็จะแต่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าให้เป็นอะไรต่างๆถ้าทำอะไรที่เหนือกว่าความสามารถของผู้อื่นก็จะได้รางวัลได้การสรรเสริญยกย่องเยินยอแล้วถ้าต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ต้องไปตามสถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขเช่นไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปตามโรงภาพยนตร์โรงมหรสลพไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้เป็นกิจกรรมคนละเรื่องกันกิจกรรมเหล่านี้ทางธรรมไม่ได้ถือว่าทางกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจแต่กับจะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจอันนี้เราจะไม่เข้าใจเราจะไม่รู้ถ้าเราคิดไม่เป็นถ้าเราคิดไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่คิดเป็นอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านคิดเป็นท่านคิด ว่าการหาลาบยศสารเสญ ส, สุขนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงนะเป็นการหาความสุขปลอมเป็นหาความสุขชั่วคราวเป็นการหาความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะความสุขจากลาบยศสารเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี้เป็นความสุขประเดียวประเดา เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ปล่อยให้เรามีความรู้สึกเศร้าหมองเศร้าใจนี่คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันเราจึงไม่ค่อยได้มีความสุขกันเท่าไหร่ ความสุขที่เราได้มักจะได้มาเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็ต้องหาใหม่หาได้ก็สุขเดี๋ยวเดียวถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ไม่สบายใจนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าสงสอนว่าอย่าไปหากันเพราะมันจะ ทำให้เราจะต้องทุกข์ในภายหน้าในภายภาคหน้าเพราะว่ามีเหตุที่จะทำให้เราไม่สามารถหาความสุขเราได้ได้อย่างเสมอบางทีอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแต่ไม่สามารถหาได้ไม่มีความสามารถหาได้ทำงานทำการหรือทำธุรกิจแทนที่จะได้กําไรกลับขาดทุนอย่างนี้ เมื่อขาดทุนก็จะไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไปซื้อของอะไรต่างๆที่อยากจะซื้อได้ إ? ก็จะไม่ได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้แต่ความทุกข์ความกังวลใจและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราต่อไปจะไม่สามารถหาความสุขจากทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็คือความสามารถของร่างกายของเรา ที่จะต้องชะลาภาพลงไปแก่ลงไปที่ละเล็กที่ละน้อยที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและที่จะต้องตายไปในที่สุดเนี่ยถ้าเราถ้าร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายเราจะไม่สามารถหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะได้เลย จึงเป็นความทุกข์กันจึงไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายกันแต่อยากหรือไม่อยากก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ถ้าอยากจะหาความสุขที่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องใช้ร่างกายก็มาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ความสุขที่พุทธเจ้าได้สรงค้นพบก็คือความสุขทางจิตใจความสุขที่เกิดจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลอันนี้เป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วความสุขใจนี้ก็ มีในหลายามิติด้วยกันสุกใจตั้งแต่ในขณะที่ทำพอเราทำบุญปั๊บเราก็จะเกิดความสุกใจขึ้นมาทันทีแล้วนอกจากนั้นความสุกใจนี้ก็ยังจะอยู่กับใจเราต่อไปจะสนับสนุนใจเราตอนที่ใจเราไม่มีร่างกาย เวลาที่ร่างกายของเราตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราถ้ามีบุญมีความดีความบุบญนุ้ยความดีนี้จะให้ความสุขของเราให้กับใจของเราต่อไปใจที่มีความสุขในระหว่างที่ไม่มีร่างกายเราจะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดา นี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ไปไปเกี่ยวข้องกับทางกฎของทางบ้านเมืองอกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับทางจิตใจให้ เ, เราต้องเข้าใจว่าบางทีเราทำความดีต่างๆแต่ทางบ้านเมืองเขาอาจจะไม่ได้ ตอบแทนให้รางวัลกับเราก็ได้เพราะเขาไม่รู้หรือเขาไม่อยากจะตอบแทนก็ได้คนบางคนทำความดีต่างๆทำบุญด้วยวิธีต่างๆเช่นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำประโยชน์ให้แก่สังคมแต่อาจจะไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับเหรียญไม่ได้รับสายสะพายก็ได้ เพราะทางบ้านเมืองเขาอาจจะไม่รู้ไม่มีใครไปไปแจ้งให้เขาทราบหรือถ้าเขารู้บางทีมีคิวยาวเขาให้ได้เพียงปีแล้วไม่กี่คนเขาก็ไม่สามารถที่จะให้กับเราได้ฉังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าการทำความดีทางจิตใจนี้จิตใจเป็นผู้รับผลโดยอัตโนมัติ คืจะได้รับผลคือความรู้สึกทางจิตใจจะได้ความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจอันนี้เป็นผลตอบแทนจากการทําความดีไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วจะได้ดีบได้ดีอันนี้เป็นคนละเรื่องกันบางทีอาจจะได้บางทีอาจจะไม่ได้บางทีเราทําความดีทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการที่จะได้ดีบได้ดี เขาก็รู้เขาก็อยากให้เราได้ดีบได้ดีเขาก็จะมอบรางวัลให้กับเราตั้งให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาตั้งให้เป็นประธานตั้งให้เป็นคุณหญิงคุณนายตั้งให้เป็นอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นผลของกฎแห่งกรรม <c oughs> ผลของกฎแห่งกรรมนี้อยู่ที่จิตใจขอให้เราดูที่จิตใจ แล้วเราจะได้ไม่สับสนไม่เข้าใจบางคนพอทำบุญแล้วนี่อยากจะได้ดิบได้ดีอตอนเช้าใส่บาตรตอนเย็นอยากจะถูกหวยวันไหนหวยออกนี่ไปแทงหวยไปใส่บาตรตอนเช้าไปทำบุญตอนเช้ากันแล้วตอนบ่ายก็ไปแทงหวยพ อ, อหวยออกออกไม่ถูกนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะ บางทีสายบาทแล้วตอนบ่ายถูกหวยก็มีอันนี้เป็นเรื่องของจังหวะของโชคหรืออาจจะเป็นถ้าจะเป็นผลของบุญก็เป็นของบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตที่ยังไม่มีโอกาสได้ส่งผลพอเราไปแทงหวยมันก็เลยมีช่องให้มันออกมามันก็ทำให้เราถูกหวยได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะวัดได้อย่างแน่นอนยังไม่ควรที่จะไปคํานึงถึงผลเหล่านี้ขอให้เราคํานึงถึงผลที่จิตใจของเราก็พอเพราะความสุขของจิตใจนี้มีคุณค่าราคามากกว่าข้าวของเงินทองต่างๆที่เราจะได้รับมีคุณค่ากว่าการได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอ การได้รับรางวัลอะไรต่างๆมันสู้ความสุขใจไม่ได้สมัยก่อนสมัยเราเป็นเด็กๆ เ, เราเคยสังเกตเห็นว่าคนไทยเราเวลาทำอะไรแล้วจะไม่ต้องบอกขอบคุณกันเขาจะไม่รอรับรางวัลไม่รอรับอะไรตอบแทนเขาทำเขาช่วยเหลือ แ, แล้วเขาก็ไปเขามีความสุขใจที่เกิดจากการที่ เขาได้ช่วยเหลือเราเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเราเลยนี่แหละเพราะว่าเขาได้รับผลแล้วจากในใจของเขาเองจากกฎแห่งกรรมเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมารอรับคำขอบอกขอบใจหรือให้รางวี่รางวัลบางทีให้เงินให้ทองเขาเขาปฏิเสธเขาไม่รับเพราะเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินทอง เขาทําเพื่อความรู้สึกในจิตใจความสุขในจิตใจที่เขาได้จากการช่วยเหลือเราเนี่มันมีคุณค่าราคามากกว่ารางวัลที่เรามอบให้กับเขาแต่ถ้าจําเป็นต้องรับเขาก็อาจจะรับเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเพื่อไม่ให้เสียน้ําใจถ้าเราบังคับเขาหรือพยายามขยันขยอให้เขารับบางทีเขาก็อาจจะรับเพราะ เพื่อที่จะให้แม่เราเสียใจก็ได้อันนี้แต่เขาเขาไม่ต้องการอะไรจากเราถ้าเขาเป็นคนที่เข้าใจกฎแห่งกรรมเขารู้ว่าเวลาเขาทำดีเขาได้รับรางวัล ท, ทันทีได้รับรางวัลในใจของเขาทำความดีแล้วใจจะมีความสุขในทางตกงงข้าม ของกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันกฎแห่งกรรมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีนะถ้าเราทำบาปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายผลของกรรมก็เกิดขึ้นในใจทันทีความไม่สบายใจความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นผลของกรรมเป็นอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับเราไปลงโทษผลของกฎแห่งกรรมนี้เกิดขึ้นทันทีและจะตามเราไปยาวเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะการกระทำบุญก็ดีบาปก็ดีที่เราทำนี่มันยังไม่หมดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเราตายไปนี่เราก็ยังไปรับผลบุญผลบาปต่อไป แต่เราอาจจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาเราได้ยินได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพบต่างๆแต่เราอาจจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจว่าผู้ที่จะไปรับผลนี้เป็นจิตใจเพราะว่าเราไม่รู้จักจิตใจกันนั่นเองเรารู้จักเพียงแต่ร่างกายส่วนจิตใจผู้ที่ อยู่เบื้องหลังของร่างกายนี้เรามองไม่เห็นจิตใจนี่แหละเป็นผู้อยู่เรื่องหลังของการกระทำต่างๆของร่างกายร่างกายถ้าไม่มีจิตใจร่างกายจะทำอะไรไม่ได้ช่วงไหนที่ร่างกายไม่มีจิตใจก็ช่วงที่เรานอนหลับหรือช่วงที่เราตายนั่นเองตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายจะไม่ทำอะไรจิตใจเพราะจิตใจไม่ได สั่งให้ร่างกายทําอะไรจิตใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวหรือช่วงที่เราตายไปช่วงที่ร่างกายตายไปร่างกายก็ทําอะไรไม่ได้นอนอยู่เฉยๆเวลาที่เขาจะฝังหรือจะเผาเขาต้องแบกต้องอาหามร่างกายไปฝังไปเผาตัวร่างกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรแล้ว เพราะผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วผู้ material, ที่สั่งนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผ่านความคิดนี้คือจิตใจขณะที่มีจิตใจเราก็เรียกว่าขณะที่อยู่กับร่างกายมีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่นอนหลับนี่เองตอนที่นอนหลับใจก็ไม่ได้มีร่างกายชั่วขา่าวแต่ใจยังสามารถที่จะมีความสุขมีความทุกข์ได้สิ่งที่จะทําให้ใจเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ตอนที่เราไม่มีร่างกายก็คือบุญหรือบาบนี่เองถ้าเราทําบุญไว้แล้วบุญส่งผล เวลาเรานอนหลับเราจะฝันดีถ้าเราทำบาปบุญจะทำให้บาปจะทำให้เราฝันร้ายเวลาเราตายก็เหมือนกันเวลาเราตายบุญกับบาปก็จะทำให้เราฝันดีหรือฝันร้ายเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราฝันดีเราก็เรียกว่าเราเป็นเทวดากันเราอยู่ในสวรรค์กันมีความสุขกัน เวลาที่เราฝันร้ายเราก็เรียกว่าเราอยู่ในอบายกันถ้าไม่มีร่างกายเราก็อยู่แบบหิวโหวยก็เรียกว่าเปรตอยู่แบบหวาดเสียวหวาดกลัวกับภัยต่างๆนานาเราก็เรียกว่ า, าสุลกายถ้าอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมร้างแค้นกันฆ่าฟันกันเราก็เรียกว่านาโรก นี่คือบาปที่เราทำมันไม่หมดเนี่ยตอนที่เราตายไปนี่แหละเป็นตอนที่เราไปรับผลของบุญของบาปกันตอนที่เราอยู่เราก็รับแต่รับไม่มากเหมือนตอนที่เราตายเพราะาตอนที่เราอยู่เราเราจะไปรับก็ช่วงตอนที่เรานอนหลับหรือในช่วงที่เราไม่มีสติถ้าเราไม่นอนหลับแต่เราไม่มีสติควบคุมใจ บางทีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวายใจได้เพราะเกิดจากการกระทําบาปของเราถ้าเราทําความดีใจของเราก็จะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นนั้นในขณะที่หลับถ้าทําบาปก็จะมีความทุกข์ทั้งในขณะที่ตื่นและขณะที่หลับ เวลาตายไปก็จะอยู่ในสภาพของการฝันร้ายถ้าทำบาปถ้าทำดีก็จะอยู่ในสภาพของการฝันดีแล้วก็เวลาที่บุญกับบาปหมดกำลังที่จะให้เราฝันดีหรือฝันร้ายเราก็จะมามีร่างกายอันใหม่ เราจะไปรับร่างกายใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราพ่อแม่คนใหม่เราไม่รู้จักหรอกเนี่ยพ่อแม่คนที่เราได้ตอนนี้ก่อนที่เราจะมาได้ร่างกายที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักเขาแต่พอเรามาอยู่ในท้องเขาเขาก็เลยรักเราถือเราเป็นลูกเขาพอออกมาเขาก็เลี้ยงดูเราเลี้ยงรักเราอันนี้เป็นพ่อแม่คนใหม่ แต่พ่อแม่คนหมายก็รู้จักเราเพียงแต่ทางร่างกายไม่รู้จักจิตใจของเราว่ามาจากที่ไหนในอดีตเคยเป็นอะไรเคยทำอะไรมานี่ <c oughs> เขาจะไม่รู้ถ้าเขาระลึกชาติไม่ได้แต่ถ้าเขามีความสามารถระลึกชาติได้สามารถดูดวงวิญญาณดวงจิตใจของผู้อื่นได้ เขาก็จะสามารถรู้ว่าในัอดีตชาติเราเคยเป็นใครมาก่อนนี่คือเรื่องของจิตใจเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเราทุกคนที่มีจิตใจจะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทําบุญแล้วก็จะได้รับความสุขได้รับความเจริญ ถ้าทำบาปแล้วก็จะได้รับความทุกข์ได้รับความเสื่อมเสียอันนี้ไม่ไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อก็ดีอย่างหนึ่งเชื่อจะได้ไม่ทำบาปกันเพราะถ้าเชื่อแล้วจะรู้ว่าทำบาปมันจะเป็นทุกข์ทำบุญจะเป็นสุขถ้าคนเชื่อกดแห่งกรรมก็จะเป็นคนที่โชคดีเพราะจะได้หลีกเลี่ยงการกระทำบาปกรรมต่าง ที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเสื่อมเสียของจิตใจจะหมั่นพยายามทำแต่ความดีการที่เราจะมารู้จักกฎแห่งกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำอย่างละเอียดเราก็ต้องมาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมได้ดีได้ละเอียดได้อย่างครบถ้วน เท่ากับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้สอนเรื่องของกฎแห่งกรรมเทนั้นเองเกิดสอนให้เราละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงเอสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์น นี่คือการกระทาที่จะชําระความทุกข์กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปและสร้างแต่ความสุขให้มีเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจของพวกเราไปตลอดนะถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะเหมือนกันหมดจะสอนเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะสอนให้ทำดีจะสอนให้ละบาปจะสอนให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำไมต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากการไม่ทำบาปแล้วนอกจากการทำบุญแล้วทำไมยังต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพราะใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะเป็นใจที่คอยผลิตความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปทำบาปก็ทุกข์ได้ถ้าใจเกิดความโลภความโกรธความโงขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำบาปลองสังเกตดูวันไหนเราโกรธใครนี่เราสุขหรือทุกข์ กินได้หรือเปล่ากินได้นอนหลับหรือเปล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเวลาเราโกรธใครเกลียดใครอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปรางแค้นีน่นี่อำนาจของความโกรธหรืออำนาจของความโลภ ก, ก็เหมือนกันเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดีใจหรือเสียใจอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ เราจึงต้องมานอกจากการไม่ทำบาปแล้วเรายัางต้องมาคอยทำลายตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเราทำบาปทางใจเรียกว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการกระทำบาปทางใจยังไม่ได้ออกมาทางกายหรือทางวาจาถ้าออกมาทางกายทางวาจาด้วยยิ่งเกิดโทษหนักขึ้น และอาจจะมีโทษของของสังคมของบ้านเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราโกรธใครอยากจะด่าใครไปว่าเขาไปด่าเข า, เ, าเดี๋ยวเขาก็ไปฟ้องขึ้นศาลว่าไปอไปไปประมาทก็อาจจะถูกศาลจับลงโทษอีกเี่ยติดคุกติดตารางได้เอเพราะไปพูดความเท็จไปไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่า ไ ป, ไปว่าเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาไม่ได้ทำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องศาลได้ถ้าศาลจับเราแล้วต่สวนคดีมีมูลมีหลักฐานว่าเราเกล่าวคาเท็จกล่าวคาประมาทก็มีมีกฎหมายที่จะลงโทษเราได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้พูดออกมากฎหมายทางบ้านเมืองก็เอาผิดเราไม่ได้ แต่กฎหมายทางกรรมนี้เอาผิดแเราละพอเราอยากจะด่าใครในี่ใจเราไม่สบายนะอยากจะว่าใครอยากจะประนามใครอยากจะทำร้ายใครเพียงแต่อยากขึ้นมาก็ทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาล่ะเราจึงนอกจากการไม่ทำบาปแล้วเรายังต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือชำนะกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง เป็นตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจและอาจเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบาปต่อไปด้วยเวลาเรากโกรธใครแค้นใครมากๆต้องฆ่ามันให้ได้ยามไม่ได้ต้องใครมายามเราเราโกรธมากเราก็บางทีก็อยากจะฆ่าเขาฆ่าเขาไม่ได้ก็ไปจ้างคนอื่นฆ่า ก็เป็นบาปเหมือนกันทําเองก็ดีสั่งให้คนอื่นทําก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกันทางกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ถือว่าเป็นผิดกฎหมายเหมือนกันถึง แ, แม้ตัวเองไม่ได้ทําแต่ไปจ้างวานให้ผู้อื่นกระทำผู้กระทากับผู้จ้างวานก็ผิดกฎหมายเหมือนกันถ้าถูกจับก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันอนี่คือ เรื่องของกฎแห่งกรรมบางครั้งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายทางบ้านเมืองเพราะกฎหมายทางบ้านเมืองก็อาศัยกฎแห่งกรรมนี้เป็นเป็นเป็นกฎที่มาใช้กับกฎหมายทางบ้านเมืองกฎหมายทางบ้านเมืองก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนกันไม่ต้องการให้ใครมาสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่กันใครทำผิด ก็ต้องถูกจับไปลงโทษตามกฎหมายของบ้านเมืองแต่กฎหมายของบ้านเมืองบางครั้งก็ไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์พอก็มีเนื่องจากอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพอที่จะมาคอยจับคนที่ทำผิดกฎหมายได้ทุกคนคนทำผิดกฎหมายบางคนก็ลอดตัวได้รอยนวนได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นหรือว่ามีจำนวนน้อยไม่จับไม่ได้ คนบางคนก็หนีออกนอกประเทศไปก็ไม่ก็ไม่สามารถจับมาลงโทษได้ก็มีกฎหมายของบ้านเมืองจึงบางทีไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เหมือนกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีเจ้าหนะ้าที่ตำรวจมาตามคอยจับทำบาปแล้วเดี๋ยวมีโทษตามมาทันทีหนีไม่พ้นจะหนีไปอยู่ประเทศไหนกฎแห่งกรรมมันก็ตามไป ทำบาปแล้วอตายไปที่ก็จะต้องไปอบายไม่ว่าจะไปตายที่ไหนไปอยู่ที่ประเทศไหนไปตายที่ประเทศไหนสมมุติทำบาปในประเทศไทยแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศกฎแห่งกรรมมันก็ตามไปไม่เหมือนกับตํารวจตํารวจตามไปไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมนี้ตามไปได้ทุกแห่งทุกคนจะหนีหรือไม่หนีก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมอยู่ดี เราอย่าไปคิดว่าการทําบาปแล้วเราไม่ได้รับการลงโทษนี่เราจะพ้นบาปนะเช่นเราทําบาปแล้วไม่ได้ถูกทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับให้เราไปลงโทษอย่าไปคิดว่ า, เ, าเราพ้นบาปพ้นกรรมนะบาปมันยังมีอยู่มันยังตามมาอยู่ตามไปตอนที่เราตายมันจะเป็นตัวที่มาจับเราไปลงโทษกัน ถ้าทำบาปเดี๋ยวเขาจะจับเราไปให้ไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉถ้าได้ร่างกายก็เป็นไ ด, ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกายก็จะได้ดวงวิญญาณที่อยู่แบบมีความทุกข์อยู่แบบฝันร้ายมีแต่เรื่องทุกข์ให้ฝันอยู่ตลอดเวลาในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกัน ถ้าเราทำความดีบางทีทางบ้านเมืองเขาไม่ได้มอบรางวัลให้กับเราแต่กฎแห่งกรรมเขามอบรางวัลให้กับเราทันทีคนทาดีทำความทำบุญทอประโยชน์นี่จะมีความสุขทันทีสุขทั้งในขณะที่ตื่นสุขในขณะที่หลับนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายนอกจากนั้นยังมีเทวดาคุ้มครอง มีจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนทําดีนี้ไม่ต้องให้ทางบ้านเมืองสั่งว่าให้ดีกับคนนี้นะถ้าเรารู้ว่าคนนี้ดีเราก็จะรักคนนี้ขึ้นมาทันทีเลยไม่ต้องรอให้ทางบ้านเมืองเข้ามาประกาศกันว่าคนนี้เป็นคนดีให้เรารักคนนี้ชอบคนนี้นะไม่ต้องขอให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนดีเท่านั้นนะ่ะเราก็จะรักเขาทันที คนทำดีจึงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประโยชน์ของการทำความดีนี้มีหลากหลายเช่นที่ได้แสดงไว้หนึ่งเติรนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาจะคุ้มครองเวลาจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ คือจะไม่มีใครมาฆ่าด้วยอาวุธด้วยยาพิษเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเขาโกรธเกลียดเรามีแต่ทำให้เขารักเรา mm hmm. แล้วถ้าเร า, เา mm hmm. นั่งสมาธิก็จะสงบง่ายใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้เวลานั่งสมาธิจะสงบง่ายกว่าใจที่ทำบาปใจที่ทำบาปนี้จะวุ่นวายจะวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กับบาปที่ได้ทำเอาไว้แต่ใจที่ได้ทำบุญนี้จะสงบจะเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสคนที่ทำบุญทำทานนี้จะมีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานแล้วถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติจะไม่ไปอบายนี่คือประโยชน์ของการที่ ได้ทบุญกันออกฎแห่งกรรมนี้จะจัดการทันทีไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจมาออจับไม่ต้องมีอัยาการมาสอบสวนหาหลักฐานข้อมูลต่างๆกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎที่อัตโนมัตออิทำดีได้ดีทันทีทำชั่วได้ชั่วทันที อ, อ, อยู่ในใจท่านเองเพียงแต่เราไม่เข้าใจกันเราเลยไปมองที่ทาง ด้านนอกของใจคือทางร่างกายเราคิดว่าถ้าเราทำความดีแล้วเราจะได้รางวัลทำงานแล้วเขาจะขึ้นเงินเดือนให้เราให้ตำแหน่งเราสูงบางคนทำดีแทบตายแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนก็มีคนที่ทำไม่ดีกลับได้ผลตอบแทนเพราะเขารู้จักเอาเจ้านายเอาใจเจ้านายเจ้านายต้องการอะไรนี่หามาให้ทันที แต่เวลาทํางานทําการนี้ทะเลถลายไม่ได้ไม่ได้เรื่องแต่เจ้านายไม่สนใจเรื่องผลงานสนใจเรื่องของการรับใช้ถ้ารับใช้เจ้านายจะได้ดิบได้ดีอยู่เรื่อยๆอยเางนั้นคนที่ทาความดีแล้วไม่ได้ดีก็จะท้อแท้แล้วก็จะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ได้อันนี้ขอให้เรามองให้ถูกว่ากฎแห่งกรรมนี้ เกี่ยวข้องกับจิตใจนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางร่างกายทางร่างกายอาจจะมีมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนเขารู้หรือไม่รู้คนทำบาปแล้วไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครจับไปลงโทษคนทำดีไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครเขาให้รางวัลแต่กฎแห่งกรรมเขารู้ กฎแห่งกรรมเขารู้ว่าเราทําดีหรือทําไม่ดีเขาจะให้ความสุขหรือให้ความทุกข์แก่ใจของเราถ้าเรามองเข้ามาที่ใจเราจะเห็นทันทีเวลาเราทําบาปถ้าเราสังเกตดูใจเราจะไม่สบายเวลาทําบุญใจจะสบายมีความสุขอันี่คือเรื่องของกฎที่คุ้มครองปกครอง จิตใจของพวกเราอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขปราศจากความทุกข์เราต้องพยายามทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้ละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงคืออะไรก็หนึ่งการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายามเมา และอบายามุกอื่นๆคือการเล่นการพนันการเที่ยวเตะการการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรความเกียดคร้านนี่คือการกระทาที่ไม่ดีทำไปแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ขณะที่ตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบาย ขอให้เราพยายามละการกระทำบาปเหล่านี้ให้ได้เถิดอย่าไปเสพอบบยามุขสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเเกลียดข้านคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรการกระทาเหล่านี้ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่าย แล้วพอเงินไม่พอใช้ก็จะทาให้เราต้องไปขโมยเงินมาใช้ต่อเพราะคนที่เสพ บ, บายามุขมักจะไม่ไปทำงานทำการกันจะไม่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่าเสมอจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้พอเงินไม่พอจ่ายก็จะไปขโมยไปป้นไปจี้และถ้าเกิดการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันก็ได้ นี่คือเรื่องของการกระทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเหล่านี้ได้เราจะปลอดภัยจากอบายตายไปเราจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญแต่เราแต่ไม่ได้ทำบาปเวลาตายไปเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลยไม่ต้องไปรอใช้กรรมในอบายก่อนถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อน จนกว่าจะพ้นโทษเมื่อพ้นโทษแล้วจึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่พ้นโทษก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีไม่มีวาสนาคือเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาเกิดมายากจนเกิดมารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามอาการไม่ครบสามสิบสอง มีโรคภัยเบียดเบียนอายุไม่ยาวนานไม่มีเงินไม่มีทองเกิดมายากจนเพราะนี่คือผลของการที่ทำบาปที่ยังตกค้างอยู่ที่ติดมากับใจทำให้มาเกิดในแบบที่อาภัพวาสนานี่นี่คือทำไมเราจึงต้องละการกระทำบาปทั้งปวง เพราะจะเราจะได้ไม่ต้องไปเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอกันนั่นเองข้อที่สองท่านบอกให้เราสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำบุญชนิดต่างๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการทำอะไรให้เป็นประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นถ้าเราสามารถทำได้ถ้าเรามีกำลังทรัพย์มีกำลังกายเราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ ถ้าไม่มีเงินทองมีกำลังกายก็อุทิศกายให้กับการกระทำดีเช่นไปเป็นอาสาสมัครทำงานทำอะไรไม่ไม่รับเงินเดือนไม่รับผลตอบแทนพวกหน่วยงานกอง ก, กุศลต่างๆเราสมัครไปเป็นอาสาสมัครอันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลหรือถ้าเรามีกำลังทรัพย์เราก็ ใช้ทรัพย์ไปให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือถ้าเรามีกำลังทางทางวิชาความรู้เราก็สามารถใช้วิชาความรู้นี้มาเป็นการทำบุญก็ได้เช่นไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนสอนวิชาต่างๆโดยไม่คิดเอาผลตอบแทนไม่ ไม่คิดค่าจ้างสอนพิเศษสอนเช่นสอนเด็กสอนภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์ โดยที่ไม่เอาเงินเอาทองเพราะสงสารเด็กเด็กพ่อแม่อาจจะยากจนแต่อยากจะเรียนให้เข้มข้นเพราะการแข่งขันในโรงเรียนมันสูงจะไปเรียนพิเศษแบบเสียเงินก็ไม่มีถ้าเราอยากจะช่วยเด็กเหล่านี้เราก็สามารถช่วยเขาได้ถ้าเรามีวิชาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาบุญอีกแบบหนึ่งเรียกว่าวิทยาทาน ถ้าเราให้ข้าวของเงินทองต่างๆหรือให้กำลังกายทำอะไรให้เกิดประโยชน์เราก็เรียกว่าเป็นวัตถุทานแล้วมีการให้ทานอีกแบบหนึ่งถ้าเรามีคือให้ธรรมทานให้ความรู้ทางด้านธรรมะแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สูงสุด ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ประโยชน์กับจิตใจของพวกเราชีวิตจิตใจของพวกเราได้มากเท่ากับธรรมะท่านถึงบอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้เทาของเงินทองก็จะช่วยรักษาเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่สามารถมาช่วยทางจิตใจได้จะช่วยทางจิตใจนี่ต้องใช้ธรรมะ ถ้ามีธรรมะแล้วคนที่มีความทุกข์ก็สามารถพ้นทุกข์ได้พอได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะก็เกิดหูตาสว่างมีดวงตาเห็นธรมรมระงับเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ทันทีก็มีอันนี้ก็เป็นการทาบุญหลายรูปแบบด้วยกันที่ว่าสร้างบุญสร้างกุศลตั้งหลายให้ถึงพร้อมตามกำลังของเรา เรามีอะไรเราก็ทําไปตามกำลังของเรามีธรรมะเราก็ให้ธรรมะส่วนใหญ่ผู้ที่จะให้ธรรมะได้อย่างถูกต้องแม่นยำก็ต้องเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าอยากจะถ้าเราไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกแต่เราอยากจะให้ธรรมะของผู้อื่นเราก็อาจจะทําได้ในรูปแบบของการพิมพ์หนังสือของพระอริยไปแจกให้แก่ผู้อื่นก็ได้ พระอริย์บางท่านท่านก็ตายไปแล้วท่านบางท่านที่มีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถไปสอนคนได้อย่างอย่างแพร่หลายเท่ากับเหมือนกับการพิมพ์คำสอนในหนังสือแล้วเอาไปแจกถ้าเรามีกำลังทรัพย์แล้วเราเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆหรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้าที่มีพิมพ์ไว้ในพระไตรปิฎก เราก็สามารถคัดออกมาพิมพ์เป็นเรื่องๆไปแล้วก็เอาไปแจกจ่ายไม่คิดเงินทองอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานน yeah. อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆทําให้พร้อมเรามีกําลังมีความสามารถทางด้านไหนแล้วก็ทําไปมีกําลังกายก็ใช้กําลังกายทําบุญทํากุศลไปมีกําลังวาจาก็ใช้วาจา มีวิทยาทานก็ต้องใช้วาจามีความรู้ให้สอนให้ผู้อื่นเขาได้มีความรู้ขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะความรู้นี้เป็นเครื่องมือในการหาปัจจัยสี่นั่นเอง ถ้ามีความรู้ความฉลาดก็สามารถไปทำงานทำการมีเงินเดือนมีรายได้ดีก็สามารถเอาเงินเดือนรายได้มาจุนเจอือร่างกายชีวิตให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ น, นี้ก็คือถ้าเราอยากจะมีความสุขการไม่ทำบาปนี้เพียงแต่กำจัดความทุกข์เท่านั้นแต่ไม่ได้สร้างความสุขให้อยากจะมีความสุขต้อง ทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมอันนี้ถ้าเราทำบุญแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขสุขหลับก็ตื่นหลับก็สุขตื่นก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตายไปก็จะไปสู่สุขติก็คือไปสวรรค์นั่นเองดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณของเทวดาไปอนนี่คือ ทำไมเราจึงต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลกันทำไมเราจึงต้องละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะมันมีผลกระทบต่อจิตใจในทางลบและทางบวกนั่นเองทำบาปมันก็จะมีผลกระทบในทางลบสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ <c oughs> ทำบุญก็จะ <c oughs> สร้างมีประโยชน์ในทางบวกคือให้จิตใจมีความสุข ทั้งในกณะที่มีชีวิตอยู่ตายไปก็เป็นก็สุขแบบเทวดาแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดแบบมีวาสนาคนที่ทําบุญทับกุศลเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่ามีข้าวของเงินทองมากกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่าเอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่าเอ มีอายุยืนยาวนานกว่าเก่านี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการกระทาบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมส่วนข้อที่สามทำไมเราต้องมาทำละใจให้ศาตเพราะว่าถึงแม้เราได้ทำบุญถึงแม้ว่าเราได้ละงับการกระทาบาปแต่ก็เราก็ยังจะมีความทุกข์อยู่ เพราะว่าส่วนที่เรายังไม่ได้กําจัดยังยังมีหลงเหลืออยู่ในใจเราส่วนที่เรายังไม่ได้กําจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์และตัวที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนี้เรายังไม่ได้กําจัดมันเราต้องกําจัดมันด้วยการชําระมันเอามันออกไปจากใจเหมือนกับเวลาเราซักเสื้อผ้าเราต้องการกําจัดคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้า เราก็ต้องเอาไปซักพอกเอาสมัยนี้ก็สบายหน่อยมีเครื่องซักผ้าแต่ยังต้องใช้น้ำใช้ผงซักพอกอยู่ถึงจะสามารถที่จะกำจัดคราบสกรปรกต่างๆให้ออกไปจากเสื้อผ้าได้ใจของพวกเราก็มีคราบสกรปรกอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสตัณหานี่เองที่เป็นตัวคอยสร้างความเศร้าหมองต่างๆให้กับใจเราอยู่ตลอดเวลาบางทีเราทาบุญ แล้วก็ตามไม่ได้ทำบาปแล้วก็ตามใจแล้วก็ยังไม่สบายได้พอเห็นแฟนเห็นลูกก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้พอเห็นสถานภาพการเงินการทองขึ้นมาก็ไม่สบายใจขึ้นมาได้ว่าตายแล้วจะติดลบแล้วนี่ว่าอย่างนี้เพียงแต่เห็นก็ไม่สบายใจแล้วอันนี้ก็เพราะความโลภความอยากไม่อยากจะติดลบ พอมันติดดบขึ้นมามันก็จะไม่สบายใจขึ้นมาพออยากให้ครอบครัวอยู่มีความสุขแต่พอเขาเห็นเขาไม่มีความสุขเราก็ทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้เราต้องมากําจัดมันถ้าเราต้องการที่จะทําให้ใจของเรานี้พ้นจากความทุกข์ทุกรูปแบบเนะี่ยต้องนอกจากการไม่ทํำบาปแล้วเรายัางต้องมาชําระใจให้สะอาดด้วย เพราะการไม่ทำบาปนี้ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราต้องมาชําระใจการชําระใจเราเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้เป็นการชําระใจมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็ชําระด้วยสมาธิขั้นตอนที่สองก็ชําระด้วยปัญญา ขั้นตอนที่หนึ่งก็เหมือนถ้าเปรียบซักเสื้อผ้าก็ซักกับน้ําเปล่าๆไม่มีผงซักฟอกถ้าซักกับน้ําเปล่าๆมันก็สามารถกําจัดคราบสกปรกออกไปได้บางส่วนแต่ส่วนที่มันฝังมันติดอยู่กับเสื้อผ้านี้มันไม่หลุดก็มีถ้าอยากจะให้มันหลุดจากเสื้อผ้าทั้งหมดนี้ต้องใช้ขั้นที่สองต้องใส่ผงซักฟอกเข้าไปถ้ามีผงซักฟอกใส่เข้าไปทีนี้คราบสกปรก ในเสื้อผ้าต่างๆนี้จะหลุดออกหมดเลยคาบสะกะปรกของใจคือความอยากต่างๆมันก็เหมือนกันถ้าเราใช้สมาธิเป็นตัวกาจัดมันจะมันก็จะเพียงแต่กดความอยากไว้เหมือนหินทับหญ้าเท่า น, นั้นเองเวลาจิตเข้าสู่ความสงบกิเลสตัณหาก็จะหยุดทำงานไม่สามารถทำงานได้เพราะกำลังของสมาธิกดเอาไว้ แต่พอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้ใจคิดบุงแต่งเดี๋ยวก็เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาได้พอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ต้องคิดบุงแตงก็เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาได้เห็นกาแฟก็อยากขึ้นมาเห็นขนมก็อยากกินขึ้นมาทันทีอันนี้ก็จะทำให้ใจวุ่นวายเพราะถ้าไม่ได้กินก็หงุดหงิดําคาญใจ ทุกใจถ้าได้กินก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่อีกถ้าไม่อยากจะให้เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้เรามองในสิ่งที่เราอยากให้ไม่อยากก็เราจะไปดูในส่วนที่มันน่ากินถ้าอยากจะกินอะไรไปดูตอนที่มันไม่น่ากินตอนที่มันออกมาจากร่างกายเหล่านี้มันไม่น่ากินทั้งนั้น ไม่ว่าจะออกมาทางปากเช่นอาเจียนออกมาหรือเคี้ยวอะไรแล้วต้องคายออกมาหรือมันออกมาทางทวารหนักเนี่ยเป็นอาหารทั้งนั้นอาหารที่น่ากินทั้งนั้น <c oughs> แต่พอเห็นในสภาพแบบนี้แล้วมันก็จะไม่อยากกินนี่เรียกว่าปัญญา ทุกครั้งที่อยากจะกินอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลากินต้องใช้ปัญญามาหยุดมันให้นึกถึงสภาพที่ไม่น่าดูของสิ่งที่เราอยากกินแล้วมันจะไม่กินไม่ลงนี่มันจะไม่อยากกินแล้วต่อไปมันจะไม่กินตามความอยากมันจะกินตามความจำเป็นเหมือนกับกินยายานี้เราไม่ได้กินด้วยความอยากใช่มถ้าไม่มีไม่ถึงเวลากินแล้วไม่เคยคิดถึงมันเลยแต่พอถึงเวลากินอ่ะ หมอสั่งให้กินก็ต้องกินกินข้าวก็ต้องกินแบบกินยาอย่าไปกินแบบความอยากถ้ามันกินแบบความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันเพราะตะอยากแล้วมันจะติดนิสัยไม่ดีจะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ้วมันจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้นมาเดี๋ยวร่างกายก็มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นน้าตาลก็มากขึ้นความดันก็สูงขึ้นเดี๋ยวก็ตายก่อนวัย นี่แต่ถ้าเราควบคุมความอยากได้ร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างๆใจเราก็ไม่ทุกข์เพราะไม่หิวกับอาหารถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่รู้สึกหิวถึงเวลาก็ไม่ได้หิวกินแบบกินยาเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องการหิวอาหารนีกต่อไปถ้าเรามีปัญญามาคอยอหยุดความอยากต่างๆ พยายามมองส่วนที่ไม่สวยของสิ่งที่เราอยากได้ส่วนที่ไม่ดีของที่เราอยากได้ถ้าเป็นคนก็ดู รูปร่างหน้าตาตอนที่เขาไม่น่าดูอย่าไปดูตอนที่เขาน่าดูฮะตอนที่เขาเตื่นขึ้นมาขี้ตายังติดอยู่นี่ผมเเ้ายังไม่ได้หวีเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ดูแล้วมันไม่มีความอยากที่จะไปรักเขาแต่ถ้าไปดูตอนที่เขาแต่งหน้าแต่งตาทาปากทาคิ้วทํเเผาทําผมใส่เสื้อพงเสื้อผ้าทีนี้เห็นแล้วมันก็รักเขาขึ้นมาอยากได้เขาขึ้นมาทันที หรือแม้เช่นั้นก็มองส่วนอื่นของร่างกายที่เรามองไม่เห็นส่วนที่ถูกปกปิดด้วยผิวหนังเช่นโครงกระดูกกะโหลกศีรษะปอดหัวใจตับไตลำไส้อะไรต่างๆถ้าเราเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้ความอยากได้เขามาเป็นแฟนก็จะหายไปนี่คือวิธีกำจัดความอยากต่างๆแบบปัญญาละกำจัดแบบถาวร ต่อไปจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่ดีของสิ่งที่เราอยากได้อยากได้ของมาใหม่ๆก็คิดว่าได้มาแล้วดีแต่ถ้านึกมองไปว่าต่อไปมันเก่าแล้วมันเป็นยังไงเก่าแล้วเดี๋ยวมันเสียมันชำรุดมันใช้ไม่ได้มันก็กลายเป็นเศษขยะไปให้มองแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องหมดไปเป็นนายกเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเห็นไหมเป็นสสอเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องหมดเป็นประธานเดี๋ยวก็หมดเป็นอะไรเดี๋ยวก็หมดทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้อย่างตลอดจาไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญา คือมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ดีอย่างที่เราคิดไม่น่าชมอย่างที่เราคิดไม่น่ารับประทานอย่างที่เราคิดแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากได้อะไรต่อไปใจของเราก็จะสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะตัวที่สร้างความวุ่นวายใจได้ถูกกาจัดไปหมดแล้วนอกจากนั้นเรายังไม่ต้องเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป เพราะตัวที่ดึงให้ใจเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากเหล่านี้นั่นเองพอไม่มีร่างกายอันนี้เราก็ไปรอหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาทำตามความอยากใหม่ต่อไปนั่นเองอ น, นี่แหละคือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามาศึกษากฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เอามาเผยแพร่สั่งสอนพวกเราให้เราประพฤติปฏิบัติตามกฎแห่งกรรม แล้วจิตใจของเรานี้จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนะเพราะจิตใจของเราไม่มีวันตายนั่นเองความสุขที่ได้จากการประพฤติตามกฎแห่งกรรมจะทำให้มีอยู่กับใจเราไปตลอดดังนั้นขอให้เรามาทาตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้านามาสอนพวกเราเถิดคือให้รับการกระทำบาทั้งปวงให้สร้างกุศล บุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้กำจัดให้ชำระจัดใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะได้พ้นจากความทุกข์เราจะได้มีแต่ความสุขอยู่ในใจเราเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะิโตทินังเปตางนังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปา จันโทปนะราโสยถามณโชติีราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีิตสานิจังวุธาปจายนโนจตารโธรร ม, มาวาทานเตอายุวันโอสุขังภาลางสวสั <c oughs> สดีเ<ส>ข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก f เฟซบุ๊ก337ยูทูบ227วิทยุออนไลน์25ผู้รับฟังบนเขา46รวมทั้งสิ้น635ท่านค่ะโอเคใครมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้นะฮะ ต่อจากเมื่อสักครู่นะคะยม อ, อ่านจิตนครของสมเด็จพระยานสองวรจบมงเมื่อเช้าเมื่อวานแล้วท่านท่านกล่าวถึงทีนะมิทธะว่าวิธีแก้ใช้อโลกสัญญา ก็ลองแกดูสิคือคือหมายถึงไม่ไม่ใช่กสินใช่ไหมคะไม่ใช่กสิก็มาถามเราทำไมล่ะเราไม่ได้เป็นคนพูดน่อะไรวะก็ถามคนพูดเลยอยากจะถามเราไม่ได้เป็นคนพูดเราจะไปตอบคุณคำคพูดของคนอื่นได้อย่างไรชอบมาถามปัญหาแบบนี้เรื่อยแล้วก็บอกเราอย่ามาถามชอบเอาคำพูดของคนอื่นแล้วให้เรามาตอบคำพูดของเขาเราตอบไม่ได้เรา เพราะเราไม่าไม่รู้ว่าเขามีความหมายอย่างไรเขาพูดเนียยังไม่เคยได้ยินอนโลกาสันั่น <c oughs> เราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันน ะ, ะมีคำถามทางบ้านไหมมีค่ะแม้วันนี้ทั้งต้องมองดิเตอร์กล้องทั้งท่านคำถามด้วยเลยมีหลาย ค่ะคำถามจากคุณบุนิกาถ้าเราทำบุญถวายผ้าไตรจีวรให้แก่ผู้ล่วงลับเพศ ช, ชายเขาสามารถบวชเป็นพระได้หรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกมันไม่ได้เป็นเรื่องของการให้จีวรเแล้วก็จะไปบวชเป็นพระหมายถึงคนคนตายแล้วใช่ไหมที่เขาพูดนี่ยถ้าคนเป็นนะบวชได้ถ้าก็อยากจะบวชพระแล้วเขาไม่มีผ้าจีวรเราให้ผ้าเขาเขาก็ไปบวชได้ ถ้าเขาไม่อยากบวชต่อให้ผ้าเขาไปกี่ชุดเขาก็ไม่บวชต้องให้คนได้อยากจะบวชเท่านั้นเขาถึงบวชได้คนที่ไม่อยากบวชไปให้เขาเขาไม่บวชหรอกการที่เราถวายผ้าจีวรแล้วส่งเป็นบุญไปนี้ มันเป็นเพียงแต่ใช้การถวายผ้าจีบอลเป็นวิธีเปลี่ยน เ, นเงินทองให้มาเป็นบุญเท่านั้นเองเพราะว่าที่เราต้องถวายผ้าจีวอก็เพราะว่าพระรับผ้าอย่างอื่นไม่ได้ไปถวายกางเกงถวายเสื้อให้ผ้าเดี๋ยวผ้าก็สึกกันหมดก็ <c oughs> เลยต้องถวายผ้าจีวอให้แต่ถวายแล้วมันก็เป็นบุญคนที่ถวายก็จะเกิดบุญขึ้นมาแล้วบุญนี้ก็ส่งไปให้คนตายได้บุญนี้เป็นเหมือนอาหาร ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเสื้อผ้าเป็นความสุขที่ทำให้คนที่มีความดวงวิญญาณที่มีความทุกข์หรือมีความหิวนีอิ่มได้หายทุกข์ได้ค่ะคำถามต่อไปพอใกล้สิ้นปี <c oughs> จะถึงปีใหม่มีปัญหาทุกปีคือครอบครัวส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องปีชงแต่ตัวเองจะคิดถึงเมื่อก่อนตอนเด็กๆ ที่บ้านจะพาไปวัดทาบุญแต่พอเดี๋ยวนี้จะเชื่อจะเชื่อเรื่องนี้กันหมดอยากให้พระอาจารย์สุชาติพูดถึงเรื่องนี้ใน Facebook Live เพื่อให้คำแนะนำและปัญญาในการดำเนินชีวิตค่ะก็พูดมาทั้งชั่วโมงแล้วเนี่ยพูดต้่องกฎแห่งกรรมเนี่ยของจริงของแท้มีแค่นี้แหละทบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อันนี้เป็นเหตุของความสุขความเจริญที่แท้จริงของการกำจัดความชั่วร้ายต่างๆให้พ้นไปจากชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่ที่ปีชงหรือปีชาหรอก <c oughs> <c oughs> จะชงชาแล้วชงกาแฟมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนกฎแห่งกรรมได้ทําบาปมันก็ยังจ ะ, จะได้ความทุกข์อยู่ทาบุญก็จะได้ความสุขอยู่เหมือนเดิม อ, อั น, นี่เป็นเรื่องสมมติที่มนุษย์เรา คิดกันขึ้นมาเองแล้วก็มาหลอกกันเท่านั้นเองไม่มีสาระความเป็นจริงแต่อย่างใดคำถามจากคุณหลิงหลิงลูกถามว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถามแม่ว่าเคยเห็นเปรตหรือไม่เปรตมีจริงหรือไม่เจ้าคะเล้ยังไงนะลูกสาวเขาถามก็ ล, ล้วเข้าว่ า, งางไงแหะเขาถามว่าก็ คงมาเคาะสอบถามพระอาจารย์ตอบเป็นตังชั่วโมงนะพูดมาตั้งชั่วโมงค่ะคาถามต่อไปนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องจิตดวงสุดท้ายเจ้าค่ะลูกเคยได้ยินว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นกุศลจะทำให้ไปเกิดในสุขติจิตสุดท้ายก่อนตายนึกถึงอกุศลจะทำให้ไปเกิดในทุกติจริงหรือไม่เจ้าคะ จิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันนี่แหละถ้าตายตอนนี้จิตก็เป็นจิตสุดท้ายขึ้นมาทันทีเอเมนถ้าเกิดเราตายตอนนี้ถ้าจิตเราเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วถ้ามันเป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลอยู่แล้วมันไม่ไปเปลี่ยนตอนจิตสุดท้ายหรอกจิตสุดท้ายมันก็คือจิตปัจจุบันนี่แหละเพราะเวลาจิตสุดท้ายก็เป็นจิตที่จิตปัจจุบันเสมอจิตเวลาตายมันไม่ได้ตายในอดีตมันไม่ได้ตายเมื่อวานนี้นี่มันไม่ได้ตายพรุ่งนี้ เวลาเราตายนี่เราตายวันนี้ขณะนี้กันทุกคนงนั้นพยายามทำจิตปัจจุบันนี่ให้ดีเป็นกุศลแล้วจิตปัจจุบันนี่แหละคือจิตสุดท้ายเข้าใจไห ม, มคำถามจากคุณ r รบ b i t กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามว่าถ้าเรานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุทโธแล้วเผลอหลับ ตอนหลับแป๊บหนึ่งนั้นจะยังเป็นสมาธิไหมคะอหลับมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงคำว่าหลับมันคำหลับ <laughs> อะไรวะ <laughs> จะมาเปลี่ยนศัพท์แล้วเลยจะเปลี่ยนพจนานุกรมต่อไปนี้คำว่าหลับคือสมาธิเองคำถามหมดแล้วคะ่ะอหมดแล้วถามอะไรแปลกๆนะ <laughs> หลับก็หลับสิสมาธิก็สมาธิหลับก็คือไม่มีสติไงพอไม่มีสติมันก็หลับพอได้สติกลับมามันก็ได้สมาธิกลับมาเหรอการจะมีสมาธิได้ต้องมีสติสติต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากําลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็รู้ว่ายังไม่สงบถ้าสงบก็รู้ว่า สงบแล้วไม่คิดก็รู้ว่าสงบแล้วเอเป็นสมาธิแล้วคนที่ทําสมาธิจะรู้ว่าจิตของตนเป็นสมาธิแล้วไม่เป็นสมาธิคนที่ไม่รู้ก็แสดงว่าหลับนั่งแล้วหลับไม่เลยไม่รู้ว่าเป็นสมาธิบางทีหลับไปครึ่ชงชั่วโมงตื่นขึ้นมามองนาฬิกาโอ้เรานั่งสมาธิได้ต้อตงนานแต <laughs> ่ไม่รู้ว่าเรานั่งหลับ <laughs> ต่อ ค่ะคำถามจากคุณชวนพ่อเจมส์และน้องพลอยกราบเรียนพระอาจารย์ขอถามว่าฟังธรรมานานหลายปีโดยเฉพาะโดยเฉพาะฟังธรรมพระอาจารย์สุชาติรู้สึกดีมากแต่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตและความอยู่รอดของคนในครอบครัวยังมีอยู่แสดงว่าฟังให้ตายถ้าไม่นำมาปฏิบัติคือนั่งสมาธิเดินจงกรม ต่อให้ฟังนานแค่ไหนก็ยังปล่อยวางไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนกับรับยาไปแล้วแต่ไม่ยอมกินทันทีไปหาหมอหมอจัดยาให้พอกลับบ้านก็ทิ้งอไม่ได้เอามากินตามที่หมอสั่งโครคภัยไข้เจ็บที่ยังเป็นอยู่ก็ยังเป็นต่อไปใจก็มีโรคโรคของความเครียดโรคของความวิตกกังวล ถ้าอยากจะหายต้องเอาศีลสมาธิปัญญาไปรับประทานต้องรักษาศีลต้องฝึกนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาหมดแล้วเลยธรรมะเป็นเหมือนยารักษาโรคใจ เวลาเราบาฟังเทศฟังธรรมนี้เท่ากับเรามารับยารับยาไปแล้วเราก็ต้องเอาอยาไปรับประทานถ้าเราไม่รับประทานยายาก็ไม่สามารถเข้าไปรักษาโรคที่อยู่ในใจของเราได้วิธีที่จะเอาธรรมะเข้าสู่ใจก็คือวิธีปฏิบัติตามคำสอนตามคำสอนก็มีสามข้อเนี่ยทานศีลภาวนาหรือละเว้นการทำบา ทำบุญทำกุศลชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การไม่ทำบาป ก, ก็คือการรักษาศีลนี่การทำบุญก็คือการทำทานนี่การชําระใจก็คือการภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, วนาต้องทำถ้าไม่ทำแล้วก็จะไม่มีวันที่จะกำจัด ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ถ้าเป็นความทุกข์ที่เกี่ยวกับกิเลสตัณหาก็ต้องใช้การภาวนาถ้าเป็นความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอื่นเรื่องการกระทาทางกายทางวาจาก็ต้องใช้ศีลถ้าเป็นความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ต้องใช้เอาใช้การทำบุญทำทานมันก็มีปัญหาที่ต่างกันไปยาที่จะมาแก้ปัญหาแต่และชนิดก็ต่างกันไป ค่ะคำถามจากเจพรนกอไผ่กราบเรียนถามค่ะถ้าเรารู้ว่าใจเราไม่ดีจะปฏิบัติอย่างไรคะก็หยุดมันได้เปลี่ยนมันได้ทำให้มันเป็นใจดีใจดีไม่ดีก็เริ่มต้นที่ความคิดดีไม่ดีนี่ถ้าคิดไม่ดีมันก็จะทำให้ใจเราไม่ดีเหตั้นเวลาที่มันคิดไม่ดีเราก็หยุดมันเช่นคิดจะไปทาร้ายใครคิดจะไปด่าใครเราก็หยุดมัน ถ้าเราสั่งให้มันหยุดมันดืิ ม, มไม่ยอมหยุดเราก็ต้องใช้พุทโธใช้สติมาช่วยท่องพุทโธพุทโธไปเวลาโกรธใครเวลาอยากจะไปทําร้ายใครไปด่าใครไปกั่นแกล้งใครเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามันยังไม่หยุดก็พุทโธไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าถ้าเราไม่หยุดพุทโธเดี๋ยวมันต้องหยุดเองพอมันหยุดแล้วมันก็หายไปเราก็ลืมไป เรื่องที่เราจะไปด่าใครไปว่าใครไปทุบตีใครก็จะหายไปเราก็จะไม่เป็นคนไม่ดีไปใจของเราก็จะไม่ก็จะกลายเป็นใจที่ดีไปเพราะเราไม่ได้ไปทำลายใครต้องใช้สติหยุดความคิดที่ไม่ดีดัง น, นั้นก่อนที่ความคิดไม่ดีจะเกิดขึ้นเราต้องมาหัดฝึกสติก่อนฝึกพุทโธก่อนถ้าเราไม่ฝึกท่องพุทโธไว้พอถึงเวลาจะท่องมันท่องไม่ออก เวลามันโกรธใครมันจะคิดแต่เรื่องโกรธเขาอย่างเดียวจะให้ไม่คิดพุดโทโธไม่ยอมมาแต่ถ้าเราคอยฝึกพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยพอมันจะไปคิดทางโกรธปั๊บเราก็ดึงกลับมาคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ยังั้นอย่าไปรอทาตอนที่โกรธมันไม่ทันการเหมือนนั่งมวยตอนจะขึ้นเวทีต้องซ้อมโชกก่อน ไม่ซ้อมโชคเดี๋ยวจะจะไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขานอกน น, น, นั้นนเนี่ยเลยนักเรียนนันอย่ามาดูหนังสือตอนวันก่อนจะสอบถ้าดูก่อนวันสอบหรือดูวันที่สอบนี่มันไม่ทันละต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนต้องทำการบ้านต้องดูหนังสือบ่อยๆถ้าเป็นนักมวยก็ต้องหมั่นซ้อมอยู่เรื่อยๆเอี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ต้องหมั่นพานาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆให้มันชนานาญให้มันชิน Yeah. ค่ะคาถามจากคุณทวิสากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะช่วงปีใหม่มักจะมีการไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเขา ว, ว่าได้พลังจิตหมู่มากแต่ถ้าเราสวดอยู่กับบ้านกับครอบครัวจะมีพลังเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแล้วไม่ต้องรอวันข้ามปีด้วยคือนนี้ก็สวดได้เลยได้พลังทันทีเลยไม่ต้องไปรอวันสิ้นปีเข้ามาสวด เงินช่วงนี้ไม่สวดก็ไม่มีพลังถ้าอยากจะมีพลังทันทีก็สวดทันทีเลยสวดเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีเหมือนเติมน้ํามันนะเวลาเราต้องการให้รถมีน้ํามันก็เติมมันเลยไม่ใช่ไปรอตอนที่มันหมดแล้วมันหมดแล้วบางทีต้องเข็นรถไปเติมนะถ้าตอนนี้มันยังขับได้เห็นว่ามันต่ําแล้วก็รีบเข้าปั๊มเสร็จเติมให้มันเต็มถังเรานั่นเราไม่ต้องมารอเติมมันข้ามปีหรอก ทุกวันมันก็เป็นวันข้ามปีทั้งนั้นอ่ะเพียงแต่เราไม่ไปเรียกว่ามันข้ามปีนั้นเองวันที่สามสิบเอกับวันนี้มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันก็เมืดกับแจ้งเหมือนกันส่วนมนต์มันก็ได้ผลเหมือนกันเห็นไหพยายามสวดทุกวันขอให้ถือว่าทุกวันเป็นวันข้ามปีก็แล้วกันจะได้มีน้ํามันเต็มถังอยู่เรื่อยๆมีพลังเต็มใจเต็มจิตอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ปีนึงมาเติมสักครั้งหนึ่งโอ้ยตายขับไปสองสามวันก็หมดถังแล้ะ ต่นี้ก็ต้องคอยเข็นมันไปนค่ะคำถามต่อไปจากคุณวันนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันโยมมีความโลภน้อยลงมีความอยากมีอยากได้น้อยกว่าเมื่อก่อนมากแต่เวลาโกรธและความหลงในร่างกายตัวเองมีอยู่มาก ถึงจะพิจารณาอสุภะแต่ก็ไม่สามารถน้อมเข้าจิตใจได้พระอาจารย์มีวิธีแนะนําการปลงและปล่อยวางให้โยมไม่ยึดติดกับร่างกายได้หรือไม่เจ้าคะตอนนี้กิเลสเรามันต่อต้านไงเราต้องอเราต้องห้ามกิเลสหยุดกิเลสด้วยการนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเราสามารถหยุดกําลังต่อต้านได้กิเลสที่คอยต่อต้านพอเรานั่งสมาธิมันก็จะถูกกดเอาไป พอจากสมาธิมาใหม่ๆกำลังต้านมันจะไม่มีตอนนั้นเราก็ใช้ปัญญาสอนใจใจก็จะยอมรับก็จะก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วนะเอดแล้วนะถ้าไม่มีอะไรมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ